เพ่งพากันตั้งใจให้ดีนึ ก, กว่าเรามาประชุมกันในที่นี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดเรามาเพื่อฝึกตนทุกคนก็ยอมรู้ดีว่าคุณความดีของตนมันยังน้อยอยู่สติปัญญาอันใดก็น้อย สำคัญที่สติปัญญานี่แหละบุคคลใดมีสติปัญญาเข้มแข็งดีผู้นั้นก็เอาตัวพ้นจากทุกได้อบรมสมาธิภาวนาก็เพื่อที่จะให้เกิดปัญญาต้องให้เข้าใจปัญญาในทางธรรมนี่ อาศัยการเรียนการจำคำสอนของพระติเจ้าได้อย่างหนึง่งอาศัยเมื่อเรียนแล้วจำได้แล้วน้อมเอาความรู้ที่จำได้นั้นเข้าไปพิจารณาอยู่ภายในใจนู่นนี่ทางหนึ่งทางหนึ่งก็ทำใจให้สงบ ทางที่ทำใจสงบนี่แหละมันเป็นปัญญาณละเอียดถ้าบำเพ็ญได้มากเข้าไปแล้วก็วสามารถที่จะถอนรากของกิเลสอันมีอยู่ในใจนี่ให้หมดไปได้นอกนั้นก็เป็นได้เพียงข่มกิเลสไวเท่านั้นเองปัญญาณออกนั้น หรือ ว, ว่าทะละก็เรียกว่าละได้แต่ส่วนยาบส่วนละเอียดละไม่ได้เพราะปัญญามันยังไม่ละเอียดพอดังนั้นจึงต้องอาศัยการทำสมาธิภาวนานี่ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติข้อสุดท้ายเพื่อให้เกิดปัญญาอันสุขขุมลุ่มลึก เราจะได้ถอนรากของกิเลสอันมันหมกหมมในใจนี่มานับชาติไม่ท้วนแล้วมันก่อโรค ก, ก่อรากอยู่ในใจนี่กิเลสเะนียวแน่นจริงๆนะพี่รนาให้ดีเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ภาคเพียรจริงๆ ไม่อบรมสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในใจจริงๆมันถึงละมันไม่ได้มันจึงพาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายไปพาเศร้าโศกเสียใจร้องไห้รำไรทุกโทมนัดครับแค้นใจต่างๆแบบนี้มันก็ล้วนตั้งแต่อำานาจของกิเลสทางนั้นแหละบุคคลไม่ ละกิเลสอะกิเลสมันก็ทำพิษขึ้นมาเป็นคราวๆเวลามีเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามานั่นแหละมันจะรู้ได้เลยว่ากิเลสอันใดมีอยู่ในใจนะกิเลสนั่นจะพุ่งพูขึ้นมาตามเรื่องที่มันมากระทบนั้นเช่นเรื่องที่ จะให้เกิดความรักความใคร่มากระทบอย่างนี้นะอมันก็เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาแต่เมื่อยังไม่มีเรื่องนั้นมากระทบกระทั่งมันก็ยังไม่เกิดพอมีเรื่องนั้นกระทบเข้ามาแล้วมันก็เกิดขึ้นแสดงว่ายังละมันไม่ได้เพียงแต่ข่มไว้เฉย หรือว่าจะมีเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมากระทบกระทั่งเข้าเช่นนี้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นนั่นจึงว่ า, ากิเลสปาประธรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันเหมือนกันมันจะเกิดกาเลิบขึ้นในจิตใจของคนเราเนี่ย ดังนั้นเนี่ยในขั้นต้นนี้ก็จึงต้องอาศัยสมาธิก่อนนั่นเน่ยเมื่อจิตใจสงบโรงตัดทอนอำนาจของกิเลสให้เบาลงไปได้แล้ววัานี้มันกลายเป็นกิเลสอันละเอียดไปต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของปัญญา เพ่งพิจารณาคนา้นคว้าจอดส่องมองดูภายในจิตใจ น, นี่มันจะมองเห็นกิเลสอันละเอียดปรากฏอยู่ในใจนี่เมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาก็จะได้ละมันเสียอันนี้เลยให้พึ่งพากัน สันนิษฐานดูให้ดีเมื่อทำอะไรนั่นน่ะหากว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนจริงจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องจริงการทำนั้นมันก็มักจะสำเร็จตามความมุ่งหมายถ้าหากว่าตั้งเป้าหมายไว้ผิด ทำไปมันก็ไม่ค่อยได้ผลมันอาจจะไม่ได้ผลเสียเลยก็ได้อาบุคคนมาตั้งใจไว้ผิดอันนี้อาศัยที่เราตั้งใจให้มันทูกเออตั้งใจไว้ในอารมณ์อันเดียวได้แก่เอกคตาความเป็นผู้ทําใจให้เป็นหนึ่ง น, นะเมื่อใจเป็นหนึ่งได้แล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นได้เนี่ยเพิ่งเข้าใจถ้าไม่อาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานอย่างว่านั้นทุกคนก็กคงจะละกิเลสขาดไปหมดแล้วแหละป่านนี้นะเพราะว่าต่างคนต่างก็เรียนมา ผู้ที่เรียนได้มากๆากก็มีเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้โดยเด็ดขาดนี่เพราะฉะนั้นเพียงแต่เรียนเพียงแต่จำํำเฉยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถอนรากของกิเลสได้ ต้องให้เข้าใจเหตุนั้นเนะ่ก็จึงต้องภาวนาสมาธิกันปลึกใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อรลอยให้เข้าถึงความสงบให้ได้เพื่อเราจะได้ใช้ปัญญานี่สอดส่องมองดูกิเลสภายในใจิตใจ อันละเอียดทุกขุมเนี่ยให้มันรู้ให้มันเห็นแจม่มแจ้งขึ้นมากิเลสอันละเอียดก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอกมันก็ได้แก่อวิชชาความไม่รู้นี่มานะความถือตัวอันนี้ก็เป็นกิเลสอันละเอียดไม่ใช่น้อย อวิชาความไม่รู้เนี่ยนะปาเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้จักทุกนั่นแหละตามความเป็นจริงไม่รู้จักเคทให้เกิดทุกไม่รู้จักความดับทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ความไม่รู้สี่ประการนี้เลยมันเป็นเหตุให้คนเราคล่องอยู่ในสงสารอันนี้เมื่อไมรู้เท่าทุกเมื่อทุกเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งกับจิตจิตก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยนั่นแหละเมื่อไม่รู้แจ้งในทุกขอันห ย, ยาบหยาบ ที่เกี่ยวกแก่การทำบาปทำกรรมชั่วต่างๆนานาหมดนั่นนะพระพุทธเจ้ากตรตตัดว่ามันจะพาไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิอย่างนี้ก็ไม่เห็นแจ้งโดยปัญญามันมันถึงละบาปไม่ได้บุคคลผู้ทำบาปผู้ตั้งเจตนา ให้เป็นบาปเป็นกรรมขึ้นในใจแล้วใช้กายทำใช้วาจาพูดลงไปผลที่จะได้รับคือความร้อนใจในปัจจุบันนี้นะคนทำบาปนี้ใจไม่ค่อยเย็นหรอกมักจะมีใจร้อนวู่วามอยู่งั้นแหละต้องให้สังเกตดูใจของตัวเองทุกคน ว่ามันมีบาปติดตัวอยู่ติดใจอยู่หรือไม่มีบาปอะไรความโลภหรือคือความคิดเพ่งเลงอยากได้ของฟืนะเป็นของตนนะ่่ะมันมีอยู่ไหมในใจนะหรือว่าเมื่อได้มาแล้วมันก็หวงแหนไม่อยาก แบ่งสรรปันส่วนใช้สอยให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นความโลภอันหนึ่งเหมือนกันได้เท่านี้แล้วก็ยังไม่จุใจอยากได้หลายกว่านี้อีกได้มาแล้วก็ห่วงแหนไว้อันนี้ท่านเรียก ว, วัตตนีไม่ว่าความโลภ อย่างนี้แหละที่พระศาสดาตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากดังกล่าวมานี่นะแต่มันไม่รู้เมื่ออวิชชาพุ่มห่อจิตใจแล้วนะไม่รู้ว่าความโลภ ค, ความตนีหวงแหนหรือความโกรธความอิจฉาลิศยาพยาบาทกันหมดนี่มันไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวร รู้แจ้งโดยปัญญาจริงๆแล้วมันก็ละแหละไม่สะสมเลยกิเลสเหล่านี้นะมันเป็นยางไงความโลภกับความรักมันก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละต่างแต่ว่าความรักนี่นะมันฝังอยู่ลึกมากทีเดียว มันผูกพันอยู่จิตใจเลื้อยไปเลยความรักอันนี้นะมันเป็นพื้นฐานของพุธุชนพื้นฐานแหง่งจิตใจของพุธุชนมันเป็นอย่างนั้นความโลภนี่มันอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวก็ได้คัั้นแล้วก็หายไปแต่ความรักนี่มันซึมซาบอยู่ในใจ เพราะฉะนั้นเราต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นก็ตัญหาก็หมายถึงว่าตัณหาความอยากความอยากรักความอยากชั่งความอยากโกรธเมื่อนี้แหละความอยากหลงอยากเมาไปในอารมณ์ต่างๆนี่นี่หนละคือเหตุให้เกิดทุกข์ จะ ต, ต้องให้เข้าใจเมื่อรู้ว่าความอยากดังกล่าวมานี่นะ่ะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภายในวตาสงสารอันนี้อย่างนี้แล้วก็มันก็จะได้ละความอยากเหล่านี้ให้บอวางออกไปเรื่อยๆเรียกว่าอยากพอประมาณอืมแล้วอยากในสิ่งที่มันไม่ เป็นบาปเป็นโทษธรรมดาว่าผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วนะอวิชชาดับไปแล้วมันก็เลือกอยากอยากแต่ในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่อยากในสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นหเหล่านี้ทุกคน ต้องค้นให้พบภายในใจตัวเองพบความอยากและกล่าวมานี้นะค้นหาให้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็ต้องปล่อยวางมันความอยากอันใดมันประกอบมันไม่ประกอบไปด้วยบาปด้วยโทษเพราะมันมีปัญญากำกับความอยากนั้นโย ความอยากอันนั้นไม่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์เช่นอยากเข้าอย่างนี้อยากน้ําอย่างนี้ก็ถึงการเวลาควรจะรับประทานก็รับประทานไปเสียแล้วก็ในขณะที่รับประทานย่งก็ไม่ได้ติดรสติดชาติของอาหารต่างๆหมดนั้นสักแต่ว่ารับประทานเท่านั้นเอง ล้วประทานลงไปเพื่อบำรุงร่างกายอันนี้ให้เป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งไปแล้วเราจะได้ทำความเพียรอบรมสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจนี้แลวจะได้ละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไป นี่ไม่ใช่รับประทานเพื่อให้อ้วนให้เพีให้สวยให้งามไปอย่างนั้นไม่ได้มุ่งอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดมุ่งอย่างนั้นมันก็เป็นกิเลสมันไม่เป็นธรรมะถ้าเราตั้งเจตนาถูกดังกล่าวมานั้นความอยากนั้นมันก็กลายเป็นธรรมไป มันไม่ให้โทษให้ภัยแก่ผู้ใดนี่แหละเป็นผู้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อรู้แล้วก็ละความอยากดังกล่าวมานั้นเสียทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีก็จึงชื่อว่าเป็นผู้รู้ความดับทุกข์คือรู้ว่า ทุกมันจะดับได้ก็พ่อมาดับความอยากในหัวใจนี่แล้วปู่นั้นก็มาดับความอยากนี่เสียนั่นแหะการที่เมื่อความอยากดับไปแล้วจิตใจจะดิ้นหล่นกระวนกร ะ, ะวายไปอในสิ่งของในรูปในเสียงในกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นไม่มีนี่มันเรียกว่าเมื่อรู้ ที่ดับทุกข์แล้วก็หมายความว่ารู้ว่าใจของตนมันหมดอยากมันไม่มีอยากอะไรใจมันก็สงบนิ่งอยู่อย่างนี้เรียกว่าเออการดับทุกข์เรามาดับตรงนี้รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ที่ดับทุกข์ไปดับนอกกิด น, นอกใจไม่ได้ดับทุกข์นะเพราะว่าสิ่งอื่นไม่มีไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรอะไรไม่มีเลย มีแต่จิตดวงเดียวเนี่ยรู้จักเก็บรู้จักปวดรู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้แล้วแต่มันมันไม่รู้เท่าแล้วมันก็กระวนกระวายเนี่ยมันก็เดือดร้อนไปมันเป็นอย่างนั้นความความไม่รู้นะเมื่อมันรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วว่าทุกนั้นละไม่ได้ต้องรู้เท่า มันก็ทำความรู้เท่าเอาอย่างทุกที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะร่างกายทรุดทรมเพราะโรคภัเบียดเบียนอย่างนี้อย่างนี้เราจะไปบังคับมันไม่ไ ม, ไม่ให้จิตใจมันเป็นทุกข์เสียเลยไม่ให้มันรู้จักทุกอันนั้นเสียเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ากายกับใจมันอยู่ใกล้กัน เมื่อกายวิบัติใจก็รู้อย่างนี้แหละดังนั้นเราต้องรู้เท่ามันรู้ว่าสังขาร น, นามรูปนี่เป็นของเกิดมาแล้วก็แปรปวนในที่สุดก็แตกดับเป็นของทนได้ยากลำบากเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันยิ่งทนได้ยากลำบากนี่ เมื่อเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารนามรูปอันนี้มันแปรปวนมาจิตก็ไม่แปรปวนไปตามตั้งมั่นอยู่ได้รู้เท่าไม่เสียใจไม่ดีใจกับสังขารร่างกายที่มันสุดโทมไปนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ดับทุกทางใจได้ ให้เข้าใจข้อปฏิบัติที่เราบำเพ็ญกันอยู่เนี่ยเป็นครือหัดก็ให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นพระเป็นเนนก็ต้องเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี่รู้อย่างนี้จึงเรียก ว, ว่ารู้จากข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ รู้ว่าการให้ทานมันก็เป็นหนทางดับทุกข์สายหนึ่งถ้าบุคคลไม่ให้ทานแล้วความโลภ ค, ความตณีความมวงแหนมันก็ไม่เบาบางไปเรื่องมันนะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็นับแต่ศีลห้าขึ้นไปนั่นแหละตามเพศตามภูมิของตอน รู้ว่าศีลนี่แหละเมื่อรักษาให้ดีแล้วมันก็จะกำจัดความโรคความโกรธความหลงอย่างกลางให้ออกไปหรือว่าเอาอย่างยาบไม่ใช่อย่างกลางรู้ชัดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้มั่นในศีลได้เลยเพราะว่า การรักษาศีลก็มีจุดมุ่งหมายที่จะทำลายกิเลสยังหยาบดังกล่าวมานั้นผู้ใดไม่มั่นในศีลพวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ละกิเลสยังหยาบออกจากจิตใจเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ใดมั่นในศีลได้ก็กิเลสยังหยาบหยาบอย่างว่านั่ น, น, น มันก็ต้องเบาบางออกไปจากกิจใจแน่นอนไอ้พึ่งเข้าใจการทำสมาธิก็มุ่งหมายเพื่อจะตัดทอนกำลังกิเลสต่างๆเหล่านั้นเน่ยให้เบาบางลงไปเรียกว่ากิเลสชั้นกลางเมื่อชั้นหยาบละมันมาแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ชั้นกลาง เอามาเพียนเจริญสมาธิเข้าไปกิเลสชั้นกลางมันก็เบาบางลงไม่นี้มันยังะกิเลสชั้นละเอียดที่ท่านเรียกว่าอนุัยคือความรักความใคร่บางอย่างก็ละเอียดมากนะ น, นั่นแหละกามราคะนี่พระอนาคามีพุนะ่ะตัดขาดนะ เพียงขั้นพระโสดาบันพระเกคีธาคามีนี่ยังละไม่ขาดส่วนอวิชชาความไม่รู้นี่อรหั ต, ตผลนนตัดขาดได้อวิชชาหนึ่งมานะหนึ่ง อาศัยอรหัตผลันตัดขาดออกไปถ้ายังไม่ถึงอรหัตผลแล้วมันก็มีอยู่ยงั้นแหละกิเลสเหล่านี้อุทัจจะความงุดกิดใจต่างๆวันนี้ก็มีอยู่ว่างในขั้นพระอนาคามีแต่ขั้นพระอรหันต์แล้วไม่มีเลย ท่านจึงเรียกว่ามานะความถือตัวตัวนี้มันถือไปจนอรหัตตะมักมาตัดโน่นนีมันถึงขาดออกได้ให้พึงเข้าใจอุทธจักความงุดงิดภายในจิตใจไม่ถึงกับฟุ้งซ่านจนเกินขอบเขตอันนี้มันก็ยังมีอยู่พระอนาคามีอะ นุ่นไปขาดเอาพระราารอรหันโนนอวิชชาความไม่รู้ก็เหมือนกันนะแม้ได้บรรลุอนาคามีแล้วความไม่รู้บางสิ่งบางอย่างมันก็ยังมีอยู่ไม่รู้กิเลสชั้นละเอียดประนีตนั่นอย่างนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพระรหัตตผล จะเพิ่งตัดให้ขาดออกไปนี่แหละให้เพิ่งเข้าใจกิเลสมันมีอยู่สามชั้นอย่างนี้นะบนุญธรรมสำหรับที่จะกำจัดกิเลสสามชั้นอันนี้แล้วก็พระาศาสดาก็ทรงแสดงไว้ให้อย่างที่ว่ามาเลี้ยวนั่นแหละจะเป็นกครื่งหัดก็ทานศีลภาวนานี่ต้องป้อมเพรีให้ พร้อมกันไปอย่าให้มันขาดไปข้อข้อใดข้อหนึ่ง mm. แม้เป็นพิษูสามเณรก็เหมือนกันเราต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้พร้อมกันไปอา้าวศีลก็มีอย่างนี้นะสมาธิก็ให้มี แล้วปัญญาก็ให้มีให้มีติดตัวไปทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีไม่ใช่มีมาแต่เฉพาะนั่งสมาธิเท่านี้ไม่ใช่ต้องให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าตนมีศีลตนมีสมาธิตนมีปัญญาอยู่ในใจเสมอไปนี่ต้องบำเพ็ญให้ รู้ให้เข้าใจอย่างนั้นมันจึงค่อยได้ผลกิเลส จ, จึงไม่ได้ช่องถ้าเอาศีลมีสมาธิสมาธิมีแต่ว่าขาดปัญญาอย่างนี้เมื่อกิเลสได้กำเริบขึ้นก็รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันนี่เรื่องมันนะแล้วก็ ไม่สามารถจะถอนรากของกิเลสออกได้ลำพังแต่แค่ศีลกับสมาธินั่นะนะมันจะถอนรากของกิเลสออกได้ก็ต่อเมื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นเรียกว่าครบวงจรให้เข้าใจดังนั้นน่ะ พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ไปเพราะว่ามันจะพลาดจากกันไม่ได้ข้อปฏิบัติสามประการดังกล่าวมานั้นถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ละกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็เพียงแต่คมคมกิเลสไวเท่านั้นแหละ ยันเพียงแค่สมาธิอย่างนี้นะมันก็คมกิเลสไวเท่านั้นเองแต่ถอนรากกิเลสไม่ได้ด้งนั้นต้องเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นหัดคิดหัดวิจารในสังขาร น, นามรูปอันนี้แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้แจ่มแจ้งในใจจริงๆ เหมือนอย่างกลางวันอย่างนี้นะเรามองอะไรก็เห็นชัดอย่างนั้นเนี่ยหรือถ้ากลางคืนอย่างนี้ก็มีตะเกียงโคมไฟหรือไฟฟ้าเปิดเข้าไปแล้วจนกระส่องแสงสว่างทั่วบริเวณเหล่านั้นมองเห็นอะไรได้ชัดเจนปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่ออบรมให้เกิดให้มีขึ้นแล้ว ก็มองเห็นนามรูปมองเห็นรูปอันยายาบนี่ได้ชัดเจนรูปละเอียดอุปัฏายรูปคือสีแสงกลิน่นรสต่างๆหมดนี่นะมันก็แอ บ, บอิงอาศัยอยู่ในรูปอันญาบนี่แหละในดินในน้ําในไฟในลมนี่เองรูปกายอันเนี้ยนมามธรรมก็เป็นส่วนละเอียด เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมนีไม่มีรูปร่างอะไรอ่ะต้องรู้ได้โดยปัญญามองเห็นโดยปัญญามันเกิดมันดับอยู่นั่นตลอดเวลาไปเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วพึ่งอบรมปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในตนดังแสดงมา